เพราะมันสามารถพูดชั่วทำชั่วเนี่ยผมคิดเนี่ยงั้น่ป็นอย่างไ น, นคนตายเราช่วยกันจับได้เอาไปจูดไปฝังในกองอุจละเราช่วยกันจับไหมไม่อยากจับทุกคนไม่อยากจับอุจจารนี่เแล้วทำไมไปจับบรรทมัยอุจจาะไปเหยียบบรรทมัยชอบดูของหมิ่นโทษทมือล้วไปจับของหมินล้างือแล้วเอามาดมทุกคนอยากเป็นอย่างนะะั้นตมก็เป็น